แต่เนื่เรียนที่ขี้เกียจนี่หรือชอบเล่นเนี่ยจะให้มานั่งเรียนหนังสือนี่เขาไม่ชอบนันรู้ลมบากที่ต้องเรียนหนังสือแต่เนื่องจากเขาหัวไวเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะจบได้ไวกว่าคนที่ขยันแต่ว่าสมองอาจจะไม่ค่อยไวเท่าไหร่คนอย่างนี้เรียนหนังสือก็อาจจะเรียนเรียนง่ายสบายแต่ว่าจบช้า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 แม้จะมีความง่วงแต่ว่าก็มีความวัยในการเข้าใจธรรมะมันก็ไปได้เหมือนกันอย่างพระโมคคลานัานีิก็ได้ชื่อว่าคนที่ปฏิบัติยากปฏิบัติลำบากแต่ว่าบรรลุดได้ไวพระสาริบุตรนี่ก็ได้ชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติง่ายแล้วก็บรรลุดได้ไวแต่ว่าพระโมคคลานัานีิถึงแม้ว่ายากก็ยังบรรลุดได้ไวกว่า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 พอสารลบุตรต้องสิวันแต่ว่าก็บรรลุรำได้เพียงแค่ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศให้กับคนอื่นพระสารลบุตรก็นั่งฟังไปก็บรรลนะุทำแต่พระโมคคัลานี่เรียกว่าต้องต้องปฏิบัติต้องสู้กับความง่วงสารพัดนะก็บรรลุรมได้เพราะฉะนี่บางคนก็เรื่องนี้อย่าไปนึกว่าโอ้ถ้าฉันปฏิบัติยากแล้วโอ้แตนคงจะเห็นผลช้า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 ลองเวลาแนให้เขาลองนับเก้าดูวันแรกก็ไม่ค่อยได้แต่วันที่สองนี้พอนับไปแล้วเขาสึกสบายขึ้นคือมันเมื่อยน้อยลงอไม่รู้สึกร้อนเลยเพราะใจไม่ไม่ได้ไปรับทุกขเวทนาทางกายแล้วใจไปอยู่ที่การนับแทนนับได้เป็นหลายพันเก้าทีเดียวหรือบางทีเราก็บางคนก็ใช้วิธีว่านั่นไปกําหนดอยู่ที่เสียงกลองมันมีกลองตีอยู่ข้างหน้า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 ยืนไม่หายก็เดินเดินไม่หายก็คว้าไม่กวาดมากวาดเอาจิตมากำหนดอยู่ที่การกวาดพื้นกวาดใบหญาแทนอันนี้ก็เรียกว่าดึงจิตออกไปจากความง่วงได้เหมือนกันอันนี้เรียบเยบเปลี่ยนอารมณ์ส่วนที่สองนี่ก็คือการใช้ความคิดหรือว่าใช้ปัญญาเพื่อที่จะพิจารณาอารมณ์นั้น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 เห็นเลยว่าไม่รู้จะฟุ้งซ่านไปทาไมไม่รู้จะคิดห่วงกังวลคนที่บ้านไปทาไมนะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ทำอะไรไม่ได้ห่วงไปก็ไม่มีประโยชนนะ์อันนี้มันก็ช่วยลดไอ้ความวิตกกังวลได้บางคนก็มีความรังเลสงสัยว่าทำไปแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าสงสัยว่าเรายังมีเวลาอีกเยอะนะที่จะมาปฏิบัติเอาไว มีอายุมากกว่านี้ค่อยมาปฏิบัติก็ไดนะ้ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาปฏิบัติมันก็จะมีความคิดแบบนี้มารบกวนซึ่งทําให้เกิดนิวรณ์ขึ้นนะอันนี้เป็นวิจิกิจชา้าแล้วก็อุทะจักกุกุจกธธักจความกังวลความร้อนใจอักิเล่มก็ปรุงนิวรณ์เหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะรบกวนการปฏิบัติเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาเพื่อที่จะมองให้เห็นว่าไอ้นี่มัน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 การเดินให้ช้าลงก็ช่วยทําให้ฟุ้งซ่านน้อยลงบางคนคิดฟุ้งซ่านส่วนหนึ่งเพราะว่าตั้งจังหวะเร็วพอเราตัาง้งจไว้ช้าลงความคิดมันก็พลอยช้าลงไปด้วยหรือว่าการทอดสายตาก็มีส่วนทอดสายตามองไปไกลๆนี่มันคือฟุ้งซ่า น, นง่ายนะแต่สําหรับคนที่ง่วงเนี่ยการที่หรือเครียดเนี่ยการที่มองไปไกลๆ ก, ก็ช่วยได้เหมือนกันหรือมองเงยหน้ามองท้องฟ้า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 ลองสังเกตส่วนกายของเราว่ามันเครียดมันตึงไม่กัดฟันหรือเปล่ากำมือหรือไม่เมื่อเรารู้เช่นนั้นเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอยั้นสครั้งเนี่ยหรือว่าคลายมือแล้วก็อย่าไปกัดฟันเวลาเราคลายกายเนี่ยมันก็จะไปช่วยให้ใจนี่คลายไปด้วยมันสัมพันธ์กันมากในสองเดียวกันเวลาเราเครียดที่ใจเนี่ยมันก็ทําให้กายเราเครียดด้วยตึงเกร็ง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 มันจะมีจุดของมันที่เร า, าต้องสู้นะจนถึงจุดที่เรียกว่ามันเกือบจะไม่ไหวแล้วแต่พอผ่านจุดนั้นไปทุกอย่างก็ปลอดโปร่งโล่งสบายอันะนี้เป็นเรื่องที่เร า, าสามารถจะเรียนรู้ได้นะสรุปก็คือว่าถ้าเราใช้วิธีรู้โดยสตินี่ดีที่สุดนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติแข็งแรงพอที่จะรู้อารมณ์เหล่านั้น